ด้วยการมองที่ตัวของจริงซึ่งนำมาตั้งให้ดูของจริงหรือผลในทางปฏิบัตินี้นอกจากที่กล่าวไว้ในตอนที่ว่าด้วยภาวะแห่งภาวิททั้งสี่ที่ได้กล่าวในตอนก่อนแล้วพึงเทียบเคียงกับตัวอย่างต่อไปนี้โดยเฉพาะอีกด้วยด้านที่หนึ่ง ลักษณะภายนอกและชีวิตหมู่ในธรรมะเจติยสูตรพระเจ้าประสเสนทิโกสลได้ตรัสข้อความพันานาความเลื่อมใสของพระองค์ต่อพระรัตนตรัยถวายแด่พระพุทธเจ้าซึ่งพระพุทธองค์ทรงรับรองว่าเป็นธรรมะเจดีมีประโยชน์เป็นหลักเบื้องต้นแห่งพระมจัร์และทรงแนะนำให้พระสง์ศึกษาทรงจาไว้ ในข้อความเหล่านั้นมีข้อหนึ่งพันน า, นาลักษณะความเป็นอยู่ของพระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้ออื่นยังมีอีกหม่อมชั้นเดินเที่ยวไปตามอารามต่างๆตามอุทยานต่างๆอยู่เนือง้ณที่นั้นๆหม่อมชั้นได้เห็นเหล่าสมณพราหมณ์ที่สู้ผอมเศาหม่องมีผิวพรรณไม่ผ่องใสผอมเหลือง ตามตัวสะพังด้วยเส้นเอ็นดูไม่ชวนตาให้อยากมองหม่อมชั้นได้เกิดความคิดว่าพระคุณเจ้าเหล่านี้คงไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์เป็นแน่หรือไม่ก็คงมีบาป ก, กรรมอะไรที่ทำแล้วปกปิดไว้แต่หม่อมชั้นได้เห็นภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้สดชื่นร่าเริงมีใจเบิกบานมีรูปร่างท่าทางน่ายินดีมีอินทรีย์เ อ, อิบอิ่มไม่วุ่นวาย มีขนตกราบคือใจสงบผ่อนคลายมีความมั่นใจไม่ตื่นกลัวเลี้ยงชีวิตตามแต่เขาจะให้บาลีว่าปราทวุตตาหรือแปลว่าประพฤติสมควรแก่ของที่เขาให้มีใจดังมฤกอยู่คือมีใจอ่อนโยนไม่คิดรบกวนหรือหวังประโยชน์จากใครรักอิสระจะไปไหนก็ไปโดยเสรี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 ประสงค์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วอีกแห่งว่าภิกษุเหล่านั้นเดินออกจากที่อยู่นั้นๆคือป่าโคลนไม้ภูเขาแต่เช้าตรู่มีกิริยาเดินไปข้างหน้าถอยหลังแลเหลียวคูแขนเหยียดแขนหน้าเลื่อมใส มีจักสุขทอดลงสมบูรณ์ด้วยอิริยาบถอีกแห่งว่าตราบได้ภิกษุทั้งหลายจักยังพร้อมเรียงกันประชุมพร้อมเรียงกันขมีขมันแก้ไขสิ่งเสียหายพร้อมเรียงกันทํากิจที่สงพึงทาตราบนั้นภิกษุทั้งหลายพึงหวังความเจริญทายเดียวไม่มีเสื่อมเลย ดานที่สองความมีใจอิสระและมีความสุขภิกษุทั้งหลายผู้เทระในธรรมวินัยนี้ถึงยามเช้านุ่งสบงทรงบาศและจีวรเข้าไปสู่หมู่บ้านหรือนิคมเพื่อบิณฑบาตพวกเธอย่อมกล่าวธรรมะในที่นั้นชาวบ้านทั้งหลายผู้เลื่อมใสยอมทำอาการแสดงออกแห่งผู้เลื่อมใสแก่พวกเธอ พวกเธอไม่ติดไม่หมกมุ่นไม่สยบย่อมบริโภคลาบนั้นอย่างผู้รู้เท่าทันเห็นช่องเสียมีปัญญาทำใจให้เป็นอิสระลาผลนั้นย่อมช่วยเสริมผิวพันธุ์และกำลังของพวกเธอหาเป็นเหตุให้พวกเธอเข้าถึงความตายหรือทุกปางตายไม่อีกแห่งว่า ผู้มีจิตไม่หวั่นไหวรู้แจ้งความจริงย่อมไม่มีความคิดปรุงแต่งใดๆเขาเลิกรำพึงรำพันหมดแล้วจึงมองเห็นแต่ความปลอดโปร่งในที่ทุกสถานเขาไม่ยกตัวถือตนใดๆไม่ว่าในหมู่คนเสมอกันคนต่ำกว่าหรือคนสูงกว่าอีกแห่งหนึ่งว่าพระอริยะ ไม่มีความงุนงานหงุดหงิดในใจท่านผ่านพ้นไปล้าจากการที่จะได้เป็นหรือจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ท่านปราศจากภัยมีแต่สุขไม่มีโศกแม้แต่เทวดาก็มองใจท่านไม่ถึงอีกแห่งว่าตัดความติดข้องต่างๆได้หมดกำจัดความกระวนกระวาย ในหาไทยเสียได้แล้วก็นอนเป็นสุขสงบสบายพอใจถึงสันติด้านที่สามความเป็นเจ้าแห่งจิตเป็นนายของความคิดบุคคลผู้เป็นมหาบุรุษมีปัญญายิ่งใหญ่นั้น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 บาลีที่มานี้หมายถึงพระพุทธเจ้าในฐานะทรงเป็นมหาบุรุษแต่หลักฐานอื่นๆแสดงว่าคุณสมบัตินี้มีแก่พระขีนาศพทั่วไปพุทธพจน์นี้อ้างในตอนก่อนแล้วนำมาแสดงซ้ำเพื่อเข้าชุดด้านที่สี่ความเป็นกันเองกับชีวิตความตาย การพลัดพรากและมีเมตตากรุณาต่อทุกชีวิตจะมีชีวิตอยู่ก็ไม่เดือดร้อนถึงจะตายก็ไม่เศร้าโศกถ้าเป็นปราดมองเห็นที่หมายแล้วถึงอยู่ท่ามกลางความเศร้าโศกก็หาโศกเศร้าไม่อีกแห่งหนึ่งว่า ความตายเราก็ไม่ได้ชื่นชอบชีวิตเราก็ไม่ได้ติดใจเราจักทอดทิ้งกายนี้ยังมีสัมปัตยัญญะมีสติมั่นความตายเราก็ไม่ได้ชื่นชอบชีวิตเราก็ไม่ได้ติดใจเรารอท่าเวลาเหมือนคนรับจ้างทำงานเสร็จแล้วรอเวลารับค่าจ้าง ครั้งหนึ่งพระอุปเสนเถระนั่งพักอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งในป่าสีตะวันงูสองตัววิ่งไล่กันบนเพดานถ้ำตัวหนึ่งตกลงมาบนไหล่ของพระเถระและกัดท่านผิษส่านไปอย่างรวดเร็วพระเถระรู้ตัวว่าท่านจะสิ้นชีวิตแต่ท่านไม่ได้มีอาการกิริยาผิดปกติอย่างใดๆเกิดขึ้นเลยและยังได้บอกให้ภิกษุทั้งหลายเอาร่างของท่านนอนลงบนเตียง นาไปวางให้ท่านปรินิพานนอกถ้รครั้งหนึ่งพระอนนท์ถามพระสารีบุตรอัครส า, าวกของพระพุทธเจ้าว่าถ้าพระบรมศาสดาทรงมีอันเป็นอย่างไรไปคือทรงล่วงลับจากไปพระสารีบุตรจะเกิดความโศกเศร้าหรือไม่พระสารีบุตรได้ตอบว่า ถึงแม้พระาศาสดาจะทรงมีอันเป็นไปความโศกริเทวะทุกโทมนต์และอุปายาตก็ไม่พึงบังเกิดแก่ผมก็แต่ผมจะมีความคิดว่าท่านผู้มหิสักซึ่งมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากได้รับหายไปเสียแล้วหนออหากพระผู้มีพระภาคจะพึงดำรงอยู่ยั่งยืนนานข้อนั้นก็จกเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมาก เพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกพระเทราชื่ออิมุตถูกพวกโจรจับไปท่านไม่มีความหวัดหวันกลัวภัยนายโจรแปลกใจกล่าวคำซักถามต่อไปนี้เป็นคำถามของนายโจรและคำตอบส่วนหนึ่งของพระเทรา ก่อนนี้เราจะฆ่าใครเพื่อบูชายันก็ดีเพื่อเอาทรัพย์ก็ดีคนเหล่านั้นล้วนกลัวภยัยตัวสั่นและพร่ำเพอ่อแต่ท่านไม่มีความกลัวเลยสีหน้าก็ผ่องใสนักเหตุใดท่านจึงไม่คล้าครวนในเมื่อภัยใหญ่ถึงเพียงนี้แน่ในโจรทุกทางใจย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่หวงใ ย, ยชีวิตผู้สิ้นสังโยดแล้วข้ามพ้นความกลัวทุกชนิด เราไม่กลัวความตายเหมือนคนไม่กลัวที่จะวางภาระลงผู้บรรลุอุดมธรรมแล้วไม่ต้องการอะไรในโลกทั้งหมดยอมไม่เศร้าโศกเพราะความตายเหมือนคนพ้นไปได้จากเรือนที่ไฟไหม้สิ่งใดๆที่มีในโลกนี้ก็ดีพบที่สัตว์จะได้ก็ดีทั้งหมดนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเป็นของไม่อิสระเราไม่มีความคิดว่า เราได้เป็นเราจะเป็นหรือจะไม่เป็นหรือว่าสังขารจะหายสูญไปเราจะกล้ามครวนไปทำไมเพราะเรื่องสังขารนั้นเล่านี่แนะ่ในโจรผู้ที่มองเห็นตามเป็นจริงว่ามีแต่ความเกิดขึ้นเกิดขึ้นแห่งธรรมะล้วนๆมีแต่การสืบต่อแห่งสังขารล้วนๆยอมไม่มีความกลัวเลย เมื่อใดบุคคลมองด้วยปัญญาเห็นโลกเสมอด้วยท่อนไม้ใบหญ้าเมื่อนั้นเขาไม่พบกับการที่จะต้องยึดอะไรว่าเป็นของเรายอมจะไม่เศร้าโศกว่าของเราไม่มีร่างกายเราก็หมดความต้องการแล้วพบเราก็ไม่ปรารถนากายนี้จะแตกพังไปกายอื่นก็จะไม่มี ท่านมีกิจอะไรจะทำกับร่างกายของเราก็จงทำกิจนั้นตามที่ท่านปรารถนาเราจะไม่มีความโกรธเคืองหรือความรักใคร่เพราะการกระทาของท่านนั่นเลยพวกโจรฟังคำของพระเทระและขนลุกขนชันพากันวางอาวุธซักถามอีกเล็กน้อยแล้วยอมมอบตัวเป็นศิษย์บางคนก็ขอบวชเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนา บาลีอีกแห่งว่าภิกษุทั้งหลายแม้หากพวกโจรร้ายจะพึงจับตัวเอาเลื่อยที่มีด้ามสองข้างตัดอวัยวะน้อยใหญ่ผู้ใดยังใจให้คิดร้ายในพวกโจรผู้นั้นหาชื่อว่าทำตามคำสอนของเราไม่อีกแห่งว่าพระอรหันต์ทั้งหลายละปานาติบาต ประกอบด้วยความการุณามุ่งหวังแต่ประโยชน์แก่สัตว์ทุกหมู่เหล่าตลอดชีวิตอีกแห่งว่าพึงแผ่ไมตรีจิตในสัตว์ทั้งหลายว่าขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้มีสุขมีความเกษมมารดาถนอมบุตรน้อยคนเดียวผู้เกิดจากตนแม้ด้วยยอมสละชีวิตชั้นใด พึงเจริญจิตเมตตาไม่จำกัดในสัตว์ทั้งปวงฉันนั้นที่มานี้เป็นคำสอนสำหรับผู้ปฏิบัติเพื่อนิพพานนำมาลงไว้ด้วยในฐานะที่พระอาหารหันต์เป็นผู้ปฏิบัติตามนี้ได้บริบูบณ์แล้วอีกแห่งว่าแม้แต่คนทั้งหลายที่มีลูกศรเสียบหัวใจอยู่ ก็ยังหลับได้ฉนันไหนเราผูปราศจากลูกศรแล้วจะนอยไม่หลับเราเราเดินทางไปในที่มีสัตว์ ร, ร้ายก็ไม่หวาดหวัน่นถึงจะหลับในที่เช่นนั้นก็ไม่ได้กลัวภัยกลางคืนกลางวันไม่มีอะไรให้เราเดือดร้อนเราไม่เห็นมีอะไรที่จะสูญเสียหน้าที่ไหนในโลกฉะนั้นเราจะหลับ ก็มีแต่ความคิดเกื้อกาวรุนแก่ปวงสัตว์อีกแห่งหนึ่งว่าธรรมะของมหาบุรุษผู้มีปัญญายิ่งใหญ่ข้อที่หนึ่งคือเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนจำนวนมากเพื่อความสุขแก่ชนจำนวนมาก เป็นผู้ทำเหล่าประชามากมายให้ตั้งอยู่ในทางดาเนินของอาริยชนเปล่าคือความมีกลัลยาณธรรมความมีกุศ ล, ลธรรมข้อนี้เป็นคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าแต่พระอาหารหันต์ทั้งหลายก็เป็นผู้ดาเนินตามปฏิปทานี้และคำว่ามหาบุรุษเป็นคำหนึ่งที่ใช้เรียกพระอาหารหันต์ได้ทั่วไป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 ด้วยเหตุนี้ท่านจึงปฏิบัติตัวหรือแสดงออกไปตามเหตุผลตามความสมควรที่มองเห็นด้วยปัญญาอย่างน้อยก็เพื่ออนุเคราะห์แก่กุศลจิตของชาวโลกอีกข้อหนึ่งการไม่มีความกลัวไม่หวาเสียวไม่สะดุง้งไม่ตกใจไหววันเป็นลักษณะาทางจิตที่สำคัญอย่างหนึ่ง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 ที่ตั้งขึ้นบนฐานของความเข้าใจผิดคือไม่รู้จักตัวสภาวะนั้นตั้งแต่ในปัจจุบันนี้แล้วจึงตั้งคำถามผิดๆขึ้นดังนั้นจึงจัดเป็นคำถามนอกขอบเขตของตอนนี้และยกไปพูดในตอนท้ายขอวกกลับไปพูดถึงประเภทและระดับของนิพพานในแง่อื่นๆต่อไป